อย่างที่พระองค์บอกว่าอัญญะตรเวออัญญะเรวกาเมหิในหน้าส0 3สามกลางหน้าบอกว่าดูกนพิสูุทั้งหลายภิษุนั้นใดมีลทัทธิอย่างนี้ธรรมะเหล่านั้นไม่สาคือคนที่มีความเห็นว่าความอากุศลธรรมเหล่านั้นไม่สา ม, มารถทำอันตรายแก่ผู้เสพได้จริงผู้ผู้นั้น่ะคนที่มีความเห็นแบบนั้นความคิดแบบนั้นก็ทำอะไร ก็เสพวัตถุกามทั้งหลายเช่นประพฤติเมถุนสมาจาร์มันจิตใจก็อยู่กับหมกมุ่นด้วยกิเลสกามและสัญญาวิตกที่ประกอบด้วยกิเลสกามเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ก็ทิ้งกุศลธรรมทั้งหลายจิตใจก็หมกมุ่นอยู่ในอกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อจิตใจหมกมุ่นในสิ่งใดก็มีสิ่งนั้นแหละเป็นที่ไปในเบือเเเบ้องหน้าถ้ามีวัตถุกรรมเป็นเป็นเบื้องหน้าจะไปไหนล่ะ ก็วิ่งหาการมถ้ามีกิเลสกรรมเป็นเบื้องหน้าก็ฉุดไปไหนล่ะก็ไปสู่ในที่ที่เรียกว่าบ่วงแห่งมารเนี่ยนะบ่วงแห่งมารเบ็ดแห่งมานมานเนี่ยนะครับ ว, นนนะว่าถ้าเราเป็นปลาที่ที่พรานเบ็ดเขาต้องการนี่เขาเอาเราไปทําอะไรถ้าเราเขาหวังว่าเอาจะเอาเราไปเลี้ยงจริงๆเลยเนี่ยเขาไม่ใส่เบ็ดหรอกเขาจะใช้วิธีดักอย่างอื่นเพื่อเอาเราไปเลี้ยงแต่นี่ไม่ถ้าเอาเราไปต้มอะ่ะเขาไม่สนใจหรอกว่ามันแหมลําไส้มัน มันจะกลืนเข้าไปแล้วไส้มันจะทะลักออกมาปากมันจะแหว่งอะไรยังไงมันก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่ายังไงก็เอาไปเอาไปฆ่าอยู่ดีฉันใดผู้ที่มีจิตใจหมกมุ่นด้วยอำนาจอคูสลธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นเนี่ยนะแต่ก็อย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้นะเขาบอกว่าทำมัสมาทานบางอย่างสุกในปัจจุบันแต่ก็ทุกในสัำปรายาพบเบื้องต้นดูเหมือนดีเนี่ยนะดูเหมือนดีเหมือนเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินแต่ต่ อ, ต, อต่อไปหลัก น, นะนะมันทุกทุกมันมากกว่า ก็เหมือนกับอะไรนะใครเคยทานอาหารที่ท้องเสียบ้างไหมนะแม้ทานไปคําเดียวเหมือนกับอร่อยแต่แม้แต่ท้องเสียป่วยมาสามวันแล้วยังไม่เลิกไม่ลาเนี่ยนะ อ, อร่อยผ่านลิ้นนิดเดียวและความเจ็บป่วยที่มีติดติดกันไม่รู้กี่วันกี่เดือนล่ะเนี่ยนะบางทีก็แทบรักษาไม่หายอันตรายตลอดชาติเนี่ยนะความเจ็บป่วยอันนั้นให้มันร้ายแรงมากอันตรายมากทีนี้ถามว่าความเห็นของอริ tha ภิกษุทั้งหมดนี่เกิดจากอะไร ทำไมความเห็นชั่วช้าเลวร้ายจึงเกิดขึ้นแก่อริ tha พิสูรู้ไหมสูตรอื่นๆเนี่ยเกิดเพราะว่าเออความชั่วช้าเลวร้ายเพราะอะไรเพราะเขาเป็นปุตุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ไม่เห็นพระอริยะผู้ไม่ฉลาดในธรรมวินัยของพระอริยะจึงมีลัที่ความเห็นผิดแต่อันนี้เนี่ยมีพิเศษที่เรียกว่าเรียนพลาดจริงๆไม่ได้เกิดจากคําสอนแต่เกิดจากใจที่ตัวเองตั้งเอาไวอา้อย่างผิดๆนี่นะตั้งจิตเอาไว้ผิดในการศึกษา พระธรรมคาสอนเพราะฉะนั้นเหตุทั้งหมดเหล่านี้สําหรับเรื่องนี้ก็มาอริธาพิสูจน์ก็เกิดมาจากเรียนพระธรรมวินัยพลาดเนี่ยนะเรียนคือธรรมวินัยไม่ใช่ว่าตรัสไว้ผิดแต่คนที่เรียนเรียนด้วยเจตนารมณ์ที่พลาดพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษก็คือคนเปล่าไม่มีศีลเป็นต้นเนี่ยนะ บางพวกในธรรมวิไนนี้ย่อมเล่าเรียนพระปริยัติธรรมคือพระไตรปิฎกที่ประกอบไปด้วยองค์เก้าคือสุตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทาน อ, อิติวุตกะชาตักชาดกอภูตธรรมและเวทละก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองโมฆะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนพระปริยัติธรรมคือพระไตรปิฎกอย่างนั้นแล้วย่อมไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญา ไม่เคยหยิบเอาพุทธพจน์เหล่านั้นมาคิดเลยพุทธพจน์เหล่านั้นเนี่ยมีความประสงค์อะไรธรรมะคือพุทธพจน์เหล่านั้นก็ไม่ควรซึ่งการเพ่งแห่งโมฆะบุรุษเหล่านั้นผู้ไม่ไตรตรองเนื้อความนั้นด้วยปัญญาเมื <ME> ่อ <RI O. S 1> ไม่พิจารณาจะเห็นไหมว่าพุทธพจน์นี้เป็นศีลเมื่อไม่เพ่งไม่พิจารณาจะรู้ไหมว่าพุทธพจน์ตรงนี้เป็นสมาธิจะรู้ไหมว่าพุทธพจน์ตรงนี้เป็น ปัญญาพุทธพจน์ตรงนี้เป็นมรุษพุทธพจน์ตรงนี้เป็นผลพุทธพจน์ตรงนี้เป็นทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะพุทธพจน์ตรงนี้เป็นนิโรสัจจะเป็นมรุษสัจจะพุทธพจน์ตรงนี้เป็นวัตตาตรงนี้เป็นวิวัตตาเอามาเพ่งอย่างนั้นไหมคือถ้าไม่ใคร่ควรจะเห็นไหมธรรมะเหล่านั้นจะปรากฏไหมก็ไม่เห็นโมฆะบุรุษนั้นเมื่อเรียนแล้วก็จํำอาไว้ได้เยอะใช่ไหมทําไงข่มผู้อื่นเป็นอานิสงส์ วิธีเรียนเรียนทั้งหมดก็หมายเปลื้องถ้อยคําว่าร้ายของผู้อื่นเป็นอันนี้สองเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ว่าเราใช่ไหม ค, คือเรียนวัตถุประสงค์หนึ่งคนอื่นจะได้ไม่ดูหมิ่นเรานะก็รู้ว่าเราเป็นคนไม่ธรรมดานะเป็นคนมีดีกรีมียี่ห้อมีอะไรนะเพราะฉะนั้นคนอื่นก็ต้องห้ามว่าเราห้ามตําหนิเราเราก็เรียนมาทั้งนั้นแหละ จบมาหมดแล้วเรียนมาหมดแล้วเป็นต้นเนี่ยแต่ไม่เหลือแล้วตอนนี้ไม่เหลือแล้วเหลือแต่อะไรเหลือแต่อะไรก็ไม่รู้เหลือแต่กระดาษใบเดียวเนี่ยนะไปที่ไหนก็เอาอ้างกระดาษใบเดียวเนี่ยนะไอ้ความรู้มันก็เลอะไปหมดแล้วหายไปหมดแล้วความเข้าใจในธรรมยิ่งไม่มีเลยเนี่ยนะก็เรียนเอาไว้ข่มคนอื่นเป็นอนนันิสงส์จึงเล่าเรียน ส่วนกุลบุตรทั้งหลายหมายคือว่าคนดีทั้งหลายหรือพระาริยเจ้าทั้งหลายเขาเรียนธรรมะเพื่อประโยชน์อันใดโมฆะบุรุษคนเปล่าคนนั้นก็ไม่ได้เสวยประโยชน์แห่งธรรมเหล่านั้นเลยตรงข้ามกันเลยผ้าริยะทั้งหลายเขาได้รับประโยชน์เช่นท่านนนเนี่ยนะฟังธรรมเพื่อประโยชน์อันใดบุคคล น, นี้คนละเรื่องตรงข้ามกับพระนนนหมดเลยเนี่ยนะธรรมะเหล่านั้นอันโมฆะบุรุษเหล่านั้นเรียนไม่ดีย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ ควรจะได้รับประโยชน์ในปัจจุบันก็ไม่ได้รับควรจะได้รับประโยชน์ในชาติหน้าก็ไม่ได้รับควรจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งคือการบรรลุมักผลนิพพานก็ไม่ได้รับมีแต่อะไรมีแต่ความทุกข์สิ้นกาลนานทุกทั้งในปัจจุบันและทุกต่อต่อไปข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะประยิยติธรรมทั้งหลายนั้นอันตนเรียนแล้วไม่เรียนไม่ดีเรียนไม่ดีเนื่องจากไม่ใช่คําสอนไม่ดีแต่มีเจตนารม์ที่ผิดต่อคําสอนมีอัธยาศัยแบบผิดผิดตะ ไม่เป็นไปตามคำสอนพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการด้วยงูพิษเศาะหางูพิษเที่ยวสแสวงหางูพิษเขาพึงพบงูพิษตัวใหญ่พึงจับงูพิษนั้นที่ขนดหรือที่หางงูพิษนั้นพึงแวงกัดเขาที่มือหรือที่แขนหรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่ง เขาพึงถึงความตายหรือความทุกข์ปางตายมีการกัดนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะงูพิษต น, นเพราะงูพิษตัวนั้นตนจับเอาไว้ไม่ดีะนะเรียกว่าจับที่หางใช่ไหมก็จับที่หางก็จับเล่นๆรูบๆกำๆมันก็หรือจับกำไม่แน่นก็ตามมันก็แว่งขึ้นมาได้เรียกว่ามันแว่งกัดกับมันไปฉกอย่างงี้นะแว่งกัดเนี่ยเข้าลึกกว่าเยอะเนี่ยนะถ้ามันฉกใช้ใช้ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้ามันแวง้งบอ้โหอันนี้หนักสาหัสมากอย่างสุนักเนี่ยนะสุนัขเนี่ยถ้ามันวิ่งมากัดเราตรงๆเลยเนี่ยมันยากใช่ไหมแต่ถ้ามันงับอะ่ะมันมั น, ม, นมันหันตวักมาแล้วมันงับเอาเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเข้าลึกเหมือนกันเ ข, ข้าลึกฉันใดนี้ก็เหมือนกันภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นนั่นแล่ย่อมเล่าเรียนพระ ปริยติธรรมคือพระไตรปิฎกที่ประกอบด้วยองค์เก้าคือสุตะเก ย, ยะวยาการณะคาถาอุทานอิติวุตกชาดกอัพภูตธรรมเวทละโมฆะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะเหล่านั้นแล้วย่อมไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาไม่เคยเอามาคิดเลยไม่เคยเอามาเพ่งเลยกลายเป็นว่าอะไรเรียนอย่างหนึ่งก็ปฏิบัติไปอีกอย่างหนึ่งคนละเรื่องราวกับคําสอนเลยไม่เคยเอาคําสอนไม่คิดว่าคําสอนเป็นข้อ ปฏิบัติไม่คิดว่าพระปริยัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นข้อปฏิบัติเออแปลกนะถ้าปุถุชนพูดเขาบอกนั่นเป็นธรรมปฏิบัติแต่ถ้าคําของพระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ธรรมปฏิบัติเออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะมันก็กลายเป็นว่าไม่รู้ว่าออตัวเองนี่มีรัฐที่มีทิฏฐิเป็นอย่างไรเนี่ยนะตกเสื่อมหายออตกทําลายจากพระาศาสนาเพียงใดก็ไม่เข้าใจเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโมฆะบุรุษเหล่านั้นมีแต่ความหมายเพื่อที่จะ ข่มผู้อื่นเป็นกำไรเนี่ยนะเรียนเอาไว้ข่มคนอื่นเรียนเพื่อลาบส ก, การะเป็นต้นหมายเปลืองคำกล่าวร้ายของผู้อื่นเป็นอ น, นิสงส์จึงเล่าเรียนกุลบุตรทั้งหลายคือผ้าอริยะทั้งหลายหรือผู้ที่เรียนเพื่อบรรลุมรคผลย่อมเล่าเรียนธรรมะคือปริยัตเพื่อประโยชน์อันใดโมฆะบุรุษเหล่านั้นย่อมไม่ได้สวยประโยชน์นั้นแห่งธรรมะนั้นธรรมะนั้นอันโมฆะบุรุษเหล่านั้น เรียนเอาไว้ไม่ดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกสิ้นกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะทำทั้งหลายอันตนเรียนเอาไว้แล้วไม่ดีอันนี้เรียกว่าทำฝ่ายดำเลยนะทำฝ่ายดำเป็นข้อปฏิบัติเพื่อสร้างพบสร้างชาติเรียนเพื่ออะไรหน้าตาชื่อเสียงลาบสการะไม่ให้คนอื่นมาดูหมิน่นดูแคลนเนี่ยนะเรียกว่าสร้างอะไรเหมือนกับว่า อะไรนะเสือติดปีกนะปกติก็เป็นเสือร้ายอยู่แล้วถ้ามีปีขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นคล้ายๆแบบนั้นนั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าปริยัติของผู้ที่ศึกษาเพื่อจะเป็นพระริยาเจ้าล่ะเรียนเพื่อบรรลุมรคผลดูก่อนพิสูจทั้งหลายกุลบุตรข้อก่อนนี่เป็นโมฆะบุรุรใช่ไหมตรงนี้เป็นกุลบุตรออกบางพวกในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรมคือพระไตรปิฎก ที่ประกอบไปด้วยองค์9้าคือสุตตะคัยะวยากรณาคาถาอุทานอิติอุตตะชาดกอภูตธรรมเวทละเนี่ยนะกุลบดเหล่านั้นเล่าเรียนปรยิยติธรรมนั้นแล้วไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาหมายคือว่ามีปัญญาไปค้นคิดพินิจพิจารณาเป็นไปตามพระไตรปิฎกเป็นไปตามอัตถกถาแล้วก็เป็นไปตามคําสอนเป็นไปตามพุทธประสงค์เนี่ยนะเข้าใจวัตถุประสงค์ของ พระพุทธเจ้าธรรมะคือปริยัติธรรมเหล่านั้นก็ย่อมควรซึ่งการเพ่งแห่งกุลบุตรเหล่านั้นคือผู้ไข้ ค, รครวรไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาเมื่อเพ่งทับรู้เห็นเลยเออนี่คํานี้พระพุทธเจ้าแสดงศีนเนี่ยตรงนี้แสดงสมาธิตรงนี้แสดงปัญญาตรงนี้แสดงมรรคตรงนี้แสดงผลตรงนี้แสดงวัตตะตรงนี้แสดงวิวัตตะเนี่ยเห็นเลยเนี่ยนะอย่างเช่นมายยกตัวอย่างอย่าง เมตตสูตรที่เราเรียนสาธยาเนี่ยกุลบดผู้ฉลาดในประโยชน์ปรารถนาเพื่อจะตรัสรู้สันตบทตรงนี้ประกาศถึงว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนที่มีอัธยาศัยงามเป็นคนที่มีอัธยาศัยวิวัตต์เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยปรารถนาจะตรัสรู้ปรารถนาจะบรรลุมรรคผล กุลบทนั้นพึงเป็นผู้อาทานเป็นผู้ตรงซื่อตรงว่าง่ายอ่อนโยนไม่เยอ่อหยิ่งสันโดดเลี้ยงง่ายมีกิจน้อยมีความประพฤติเบาเป็นต้นอันนี้ประกาศถึงคุณนะสมบัติของผู้มีศีลเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้เป็นประโยค่าบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ทางวาจาและบริสุทธิ์ทางใจทีนี้ต้องการชำระอาสยะอัธยาศัยให้บริสุทธิ์ไม่เป็นคนที่หนักไปทางโทสะเนี่ยนะ เพื่อเป็นการเจริญสมถะก็บอกว่าพึงเจริญเมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมีตนถึงความสุขเถิดก็เจริญเมตตาแล้วก็ขยายรายละเอียดของเมตตาโดยนิยต่างๆแผ่ไปในอารมณ์ต่างๆก็เป็นอธิ จ, จิตตสิกขาเนี่ยนะเป็นจิตที่พัฒนาเพิ่มพูนและคุณภาพคุณบุตรนั้นไม่เข้าไปอาศัยทิ่ ท, ทีอันนี้เป็นการเจริญวิปัสสนาพิจารณาขันห้าเนี่ยนะตามความเป็นจริง เมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนั้นกุลบุตรผู้เจริญเมตานั้นเป็นผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วด้วยทัศนะ ก, ก็บรรลุโสดาปฏิมานำความยินดีในกามทั้งหลายด้วยอนาคา ม, มิมักออกได้แล้วเนี่ยนะก็ไม่ถึงความนอนในคันอีกโดยแท้แลก็ปรินิพานใน พรหมโลกก็จะเห็นเลยว่าตรงไหนเป็นอาสยะสุดที่ตรงไหนเป็นศีลวิสุทธิ์ที่ตรงไหนเป็นจิตวิสุทธิ์ที่ตรงไหนเป็นทิฏฐิวิสุทธิ์ที่ตรงไหนเป็นมัคคามัคคายานทัศนะวิสุทธิ์ที่ตรงไหนเป็นมักเป็นผลเป็นนิพพานตรงไหนเป็นวัตตะตรงไหนเป็นวิวัตตะตรงไหนเป็นปฏิจจสมุปบาทก็จะใคร่ครวญแล้วก็ยังถึงคําสอนตรงนั้นแล้วก็ภาคเพียรที่จะให้เข้าถึงคําสอนอย่างนั้นเพันกุลบดผู้ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญา อยู่อย่างนี้กุลบุตรนั้นเรียนธรรมะปริยัติธรรมไม่ใช่มุ่งข่มผู้อื่นเป็นอนิสงส์หรือกําไรและไม่มุ่งเปลื้องคํากล่าวร้ายของผู้อื่นเป็นอนิสงส์ไม่ได้เรียนไว้แก้ตัวคือคือเรียนไว้แก้ความผิดไม่ได้เรียนไว้แก้ตัวไอ้คาว่าแ ก, แก้ตัวก็เหมือนว่าตัวเองเป็นจําเลยของสังคมใช่ไหมเป็นจําเลยของบางคนก็ต้องการจะแก้ตัวละการแก้ตัวเออเนี่ยฉันเป็นยังงั้นอย่างงั้นไม่ รู้ว่าอย่างที่พระองค์บอกว่าไม่ได้เรียนไว้เพื่ อ, อศึกษาพระพุทธพระมจรรย์เพื่อคอยแก้ลัทธิอยคอยแก้ทิฏฐิอย่างนั้นอย่างนี้หรือแหมตัวเองตกเป็นจําเลยสังคมก็เรียนเอาไว้แก้ตัวเป็นต้นบอกไม่ไม่ได้เรียนเอาไว้แค่มุ่งเปลื้องคํากล่าวร้ายของผู้อื่นกุลบั้นเล่าเรียนเพื่อประโยชน์คือเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน ใ, นในดก็ย่อมได้สวยประโยชน์แห่งธรรมคือมรรคผลนิพพานเหล่านั้นกุลบทนั้น ธรรมะอันกุลบุตรนั้นเล่าเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์ประโยชน์ก็คือประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือบรรลุมรรคผลนิพพานการปฏิบัติอย่างนี้แหละเป็นไปเพื่อความสุขสิ้นกาลนานเนี่ยนะครได้รับประโยชน์และความสุขโดยส่วนเดียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะธรรมะคือปริยัติธรรมทั้งหลายอันตนเรียนไว้ดีแล้วเพราะไรเพราะตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนตั้งใจเรียนว่าเรียนเรียนทําไมเรียนเพื่อประโยชน์อะไรและธรรมะนั้น ช่วยเราได้อย่างไรและนําออกจากทุกอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงเรียกว่าเรียนตามพระรัตน a ไตร ย, ยในที่สุดก็พระรัตน a ไตรยก็ช่วยให้พ้นจากทุกได้พิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการงูพิษเสาะหางูพิษเที่ยวแสวงหางูพิษเขาพึงพบงูพิษตัวใหญ่พึงกดงูพิษนั้นเอาไว้ให้มั่นด้วยไม้มีสันฐานเหมือนเท้าแพ ครั้นกดไว้มั่นด้วยไม้มีสันฐานเหมือนเท้าแพะแล้วก็จับที่คอไว้มั่นถึงแม้งูพิษนั้นจะพึงรัดมือรัดแขนหรือรัดอวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นด้วยขนดก็จริงถึงอย่างนั้นเขาไม่พึงถึงความตายหรือทุกปางตายซึ่งมีการพันนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะงูพิษนั้นอันตนจับไว้ดีแล้วแม้ฉันใด กุลบุตรบางพวกในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเล่าเรียนป ร, ริยติธรรมคือพระไตรปิฎกประกอบด้วยองค์เก้าคือสุ ต, ตะเคยยะวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัพภูตธรรมเวทละกุลบุตรนั้นเล่าเรียนพระป ร, ะริยติธรรมนั้นแล้วย่อมไตรตรองเนื้อความแห่งหญญธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมะเหล่านั้นย่อมควรซึ่งการเพ่งแห่งกุลบุตรเหล่านั้น ผู้ไตร่ตรองเนื้อความนั้นด้วยปัญญากุลบุตรเหล่านั้นไม่มุ่งข่มผู้อื่นเป็นอนิสงส์ไม่มุ่งเปลือกเปลื้องคำกล่าวร้ายของผู้อื่นเป็นอันิสงส์จึงเล่าเรียนธรรมะและกุลบุตรเหล่านั้นย่อมเล่าเรียนเพื่อเรียนปริยัติธรรมเพื่อประโยชน์ใดย่อมได้เสวยประโยชน์นั้นแห่งธรรมนั้นธรรมะเหล่านั้นอันกุลบุตรเหล่านั้นเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข สิ้นกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะทำทั้งหลายอันตนเรียนแล้ว